ลมม่ฉันสาสบเกงดไปเกองค์พระสี่สิบปดโดยมากบ่ลมไม่ฉันบ่พร้อมกันพวกคณะชาญญาตโยมมาใสบาตรเนีว่าพระสี่บปดองค์เข้าจัดของสี่สบแปดยังใส่บ่หมดโดยมากพระเป็อนอดอาหารก็ะมีอดมาหลายวันฉันไม่ค่อยพร้อมกันบางทีก็อดเป็นสิบโองค์ก็มีแต่ละมือ อดเปืดอภาวนาอดเปืดอทดสอบทดลองคือกันกับเ้าทํามาค้าขายเนะ่ะค้าขายแบบนี้เป็นยังไงด้วยบอค่าขายแบบนี้เป็นยังไงเอาก็ะตรงทดสอบทดลองการทราํามาค้าขายคนหนึ่งขายจะหนึง่งรวยขายจะกนึขาดทุนอันนี้คือกันการภ า, นาวนาของเพิน่นอดนอนพอนอาหารเป็นยังไง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 ที่การร่อนพวกผู้เฒ่าคน่เขาก็เคยร่อนขึ้นกันนอนท่องเฮ็ดแบบใดวนนไปเอาไม่แต่เครียดมันเกิดเฮ็ดเป็นคึ้นไ ข, ไข่ไกรบโบมเฮ็ดเป็นคือกะลำมั่งตาขกกีสาสเขาได้หันบ้านนี้นกิเลืองไปเลืองมาเลิองไปเลือ ง, ง, งมาวันไปเออท่องข้มามมันักเลยท่องคํมามมนักมันก็ยู่งให้กดกดกะลมั่งชวนขีใสขีห็ดกระเด็นออกมัดนี่แหละ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 ผีหายแล้วกันไปคุดบดขุดซิมเลยแต่เขาบอกว่ามองได้ผีหาหายเอาแท็กเตอร์ได้เอสัเนเอาแทกเตอร์ไปต่าดสันผีย่านแท็กเตอร์ว่าสันว่าพ่อไปไปหูใช้จอมปวกไปหูใช้พ่มองผีหายหายหน่อยผีแลนนี้มัด น, อ ย, นอยันเี่ยเขาว่าเปไน็นในผีเอามือหูหูแต่ไหนมันก็สูแท็กเตอร์อะไวนปเออกาลังผีสูแท็กเตอร์าตาตาใสาหมอบอีต่างหากว่าสันผีมันบกเข้เห็นได้แทกเตอร์นป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 เอากามาสักมาปุกนะสงสัยเมืองสีเชียงใหม่ในหลวงพอ่อคงจะออามาปุกสมัยนั้นมั้งไปไม่ไปเจ้าออย่างที่เป็นมาเป็นลูกเขยของเมืองเวียงจันทร์เชียงใหม่กับเวียงจันท์เป็นพื้นแผ่นเดียวกันเพราะว่าปกครองดูร่วมกันจากจะมาจากเมืองเชีงยงใหม่มาจากเชียงรายกันลองโคงมาหลดมาขืนเวียงจันท์มาขืนหลวงพ่อบางคนะลักษณะศรั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 มองไคเนี่ยคนประมาณสักสองถึงสามโอป้ปุณนะตอนอยู่ใกล้ๆมองโบสถเบิ่งๆกับปิตยานผีเยะไล้สมัยนั้นแต่ลุงพอ่อไปหามองมองปิตยานจายานนะไปหานางพาวนาสมัยก่อนคไปขันมองไดมองโบสผีประาบามองพี่ฮไฮคอสัลงพ่อจะไปหาอยู่หม่องจังสันแล้ว น, นไปเนี่ยยังบ้านวังแคนี่ที่กัน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 เนียขายานได้เถาวันานอีทีได้ยานผีหักข้อไปหลวงพ่อ น, นั่งอยู่เกิเห็ดไหมไหมหัหมหเลยหายหาโพสิเห็ดางปลากรบอมีปะเนี่นั่งจุกปงจังปังอยู่เอา้าเอาทางปลามาเขาก็บกกาทางเออหลวงอกว่ามันแมนเขายานผีตัวเนี้วะ่ะหูจักบาดหลวงพ่อเออว่ไปยังมากระพงอ่ะเออมันมีอยงหลวงพ่อรับรอง อ๋อพวกเข้าถางทําความสะอาดบาว่าผีบาวเทวดาบาว่ามนุษย์ล่ะบาวาพาต้องการความสะอาดทั้งนั้นแหะเข้าบกถางทําความสะอาด เ, อาเขากับปดาให้่ถางต้นไม้ไไใหญ่แน่ถางแต่ต้นไม้น้อยกวาดใบไม้กวาดกี่เหอะลนยะเห็ดเป็นทางไปน้องกันสามองค์ล้วไปหลวงพ่อปอยู่มองกันละมองที่เขาว่าเขาเสซนสวงผีนะมันมีงามไม้แดงยืนฝากห่วยมนะันามมาหรือปล่าน้ำมันไหลผดผดผดผดหยุมาเน่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 เขาเซนสวงนั่นะหละเซนเซนผีนอไปเ็นผีป้าเซนหัวหมูหัวไก่หัวหมูเหล่าห้ยไกลโตนะมัก็เ้นสวงมอนไปลงพ่อก็ย่ามึนพอย่ามันขึ้นมาลุงพ่อก็ย่านขึ้กันแน่นอไปบานเนี่ยพ่อเขาเมื่อมดแล้วนอไปโอ้หผีมันจะมั่นออกกูคักนะมั่งบาดเนี่ยขึ้นย่านนอนนอนไปองค์หนึ่งไปยุคนเราหมองกันอยู่คนละทางกันแต่ลุงพ่อไปยุหมองหมองหันนอนไป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 เอาไปมากกันลับในตัวไปเนี้จะมารับทางไหนก็พูหูวตือถหรื อ, am, อม้ามเอื้นบินบาทมือสองไ่มันยั ง, รงพรท่านเศ้ายานอยู่ในใจอนไปแต่ว่าทำทหารคือได้ทางนอกคนไปทางนอกเอาไว้ทำทาบวยยานย่านยังวาวนไปแต่ว่าในใจตับตับตับตับตับตุกี้กันนอนนไปพอเคลื่อนที่สามคนไปพอคืนที่สามนั่งเพ้าน้าเลยจึงกรมนั่งเพ้าหน้าแพเมตตาว่าจะเห็นคือกำกันกับคนรไป ยางเป็นสายขึ้นภูเข า, า, าไปปายปวกตะกงพวกตะกาพวกไข่ข้าวขนของยายบ้านานัง่ละพอนไปยายบ้านกว่าคุต้องพอจำเรื่องเม่คูมือนาะอนจะวารับก่บมันชิว่าฝันกับโมเมนพราะขับขับขับายขับฆ่าเนาพอไ ป, อไปพวกเขาขึ้นไปโยงยายมองไปขึ้นโย้พูดให้คู่บาอาจารย์พันยูซ่านี่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 เออมันใคร่ไข่เพรามันสะตฐานใ่ไข่ามันกลัวเขาคมเมนต์แปลว่ามันกลัวอันหนึ่งคอมเมนตแต่มันมองมันหน้าเจมี่อยู่ไปว่ามันน้าเจมีเอียงแต่มันสะทฐานในใจอเออมองเจอหน้าพาวนาดีเลยไปมังนางพาวนาโอ้ดีเออมันได้รว่วงตลอดเลยเนาะไปแปลว่าคอมเนตเป็นนักมวยคอมเนตป็นจ่ออยู่ตลอดเวลาเนาะไปจากใครเหม่งอยู่ตลอด อ, อันนี้คลิกกันนะ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 บาธานี่มาอยู่กุฏิแบบสบายสบายรงพอก็เคยลงพอก็เคยอยู่ถูกอยู่ยากมา ก, กเคยเดินบินทบาติมันเป็นไกล้บ่าดเนี่ยตั้งสามสี่กิโลกันเนีอพอแจ้งเยอมากก็ไปขนาดไปอยู่มองหันนะฝนตกนี่ฟ้า น, ฟ, านฟ้าน์เก่งเก่งแม่ม่านนะมันโมโหจากหดขนมันโมโหจากอดผ้ามันไปต่กอนมาเห็นแต่ขนเลยใชยเห็นคนมัดแลนก่อนไป